ส่วนใหญ่เขาภาวนาเป็นนะนะ mm. อยู่ที่ทำห้องขยันรู้หลักแล้วก็ขยันไหยดูไปสบายๆขยันก็ไม่รีบร้อนต้องดูสบายๆดูเหมือนดูคนอื่นดูแบบไม่มีส่วนได้เสียดูดูอะไรดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานเห็นเขาทำงานเราเป็นแค่คนดูถ้าเรา เป็นผู้แสดงเองนะเราไม่เห็นความจริงอย่างพวกนักแสดงนะมันแสดงเองแสดงดีไม่ดีเนะี่ยเจ้าตัวมองยากหรือพวกนักประพันธ์อะไรอย่างงี้นะปรุงแต่งแต่งเองเนะี่ยเจ้าตัวดูยากต้องอาศัยนักวิจารณ์คอยมาดูคนนอกมันดูง่ายหรือแ้อ่งเราทำโปรเจกต์ใหญ่ๆทําทำธุรกิจใหญ่ใหญ่ ที่เรามีคอนซัลคอนซัลท์เก่งกว่าเราไหมไม่เก่งกว่าแต่เขาเป็นคนมงนอกเวลาเขาดูอะไรนั้นเขาดูได้ตรงความจริงมากกว่าเราที่มีส่วนได้เสียยันเราต้องถอนใจของเราออกมาเป็นคนดูเป็นคนมงนอกเป็นคนมงนอกจากร่างกายของเรานี้เป็นคนวงนอกจากจิตใจของตัวเราเองนี้เี่ย ใจเป็นแค่คนดูก็จะเห็นนะร่างกายมันทำงานจะเห็นได้ตรงความจริงไม่มีไบแอสจิตใจทำงานก็เห็นตรงความจริงถ้าดูอย่างนี้เรื่อยๆสุดท้ายความโง่ของเราทนการซักฟอกด้วยสติด้วยปัญญาแบบนี้ไม่ไหวก็หายโง่ศา ส, สนาพุทธไม่มีอย่างอื่นหรอก ฝึกฝนปฏิบัติมาแทบเป็นแทบตายนะั้นไม่ได้อะไรมาไม่ได้เสียอะไรไปนะได้อย่างเดียวได้สมาธิฏฐิ<ม>เสียอย่างเดียวเคลียเสียมิจฉาทิฏฐิไป<ม><ม>ความเห็นผิดนะ่ะเสียไปได้อะไรได้ความเห็นถูกไม่ได้ครอบครองอย่างอื่นเลยได้ความเห็นถูกขึ้นมาเพราะมีความเห็นถูกเห็นกายอย่างที่มันเป็นเห็นใจอย่างที่มันเป็นไม่ก็ปล่อย มันยึดเข้าไปไม่ไหวหรอกที่มันไปยึดกายยึดใจของตัวเองไว้นะเพราะว่ามันไม่เห็นความจริงว่ามันไม่น่ายึดคิดว่าเป็นของดีของวิเศษของน่ารักน่าหวงแหนเนี่ยมามีสติรู้สึกอยู่ในกายกายไม่น่ายึดเลยกายนี้มีแต่ทุก์มีแต่ภาระมากมายดูสิวันวันเรามีภาระมากแค่ไหนในร่างกายจิตใจก็มีภาระมากมาย ร่างกายตั้งแต่หัวถึงเท้าต้องดูแลต้องทำอะไรบ้างทำอะไรกับผมบ้างต้องตั้งแต่ทำอะไรนะต้องไปสระผมใช่ไมคนก็ต้องย้อมผมผมตรงๆก็ต้องดัดให้หยิกผมหยิกก็ต้องไปเหยียดให้ตรงเนาะพารายเยอะนะหาอะไรต่ออะไรมาใส่ให้สวยๆงามๆผมแข็งไปกห็หาอะไรมาใส่ให้ผมอ่อน ผมอ่อนๆก็หาอะไรไปใส่ให้มันแข็งๆเนี่ยภาระนะเยอะแยะเลยแค่ผมมันเดียวนะสินค้าที่เกี่ยวกับผมมีอะไรบ้างนะโอ้เนี่ยเยอะแยะเลยเห็นไหมเยอะแยะเลยต้องไปหาตังค์ดังเยอะนะเพื่อมาซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับผมพระก็ลดไปได้เยอะนะอุปกรณ์เกี่ยวกับผมไม่ต้องใช้หบีอย่างนี้นสบาย ตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยภาระทั้งนั้นเลยต้องดูแลมากมายตั้งแต่ตื่นจนหลับภาระทั้งนั้นเลยในร่างกายนียเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวกระหายน้ำเดี๋ยวปวดออปวดฉี่มีภาระมากนั่งอยู่ก็เมื่อย<ม>เดินอยู่ก็เมื่อยนอนอยู่ก็เมื่อยมีภาระมากต้องหายใจเข้าต้องหายใจออกก็เป็นภาระ ที่ดูถ้าไม่ต้องหายใจสบายขึ้นเยอะเลยะสบายเทวดาต้องหายใจไหมใช้ออกซิเจนไหมเทวดามีจมูกไหมมีจมูกจมูกเอาไว้ทําอะไรไว้ดมกลิ่น <c oughs> หอมแต่ว่าต้องหายใจ ไ, ม, ไม่จําเป็นไม่ต้องใช้ออกซิเจนแต่ถ้าพวกเทวดาล่างล่างนะติดนิสัยคนอย่างนี้ย พยายามเรียนแบบพฤติกรรมขนด้วยความเคยชิดก็มีแต่พวกละเอียดที่ไปไม่ต้องมานั่งหายใจเสียเวลาถ้าเรามาดูในร่างกายนะ่นีจมีแต่ภาระเต็มไปหมดเลยต้องดูแลรักษามากมายกายกองแล้เจ็บป่วยขึ้นมาก็ต้องดูแลมากไม่เจ็บไม่ป่วยมากๆกถเจ็บป่วยเล็กน้อยเป็นตลอดเวลาร่างกายเนี่ยเจ็บป่วยอยู่ตลอดเวลาคันไหมคัน กันจะต้องดูแลไม่ต้องเกาเมื่อยจะต้องขยับเนี่ยถ้าเรามามีสติอยู่ในร่างกายนะไม่เห็นดีเลยเป็นภาระเมื่อก่อนหลวงพ่อเป็นโยมเหมือนพวกเราอย่างเงี้ยตื่นนอนมานะต้องรีบไปอาบน้ําไปทําธุระอะไรนะเสร็จแล้วพามันไปอาบน้ำํำพามันไปขับถ่ายพามันไปแต่งตัวพามันไปทํางานอู้รู้สึกภาระเยอะนะเสร็แล้ว ต้พามันไปกินข้าวอีกนะกินข้าวเสร็จต้องไปแปลงฟันให้มันอีกนะดูภาระเยอะนะใครแปลงฟันให้พ่อแม่บ้างไหมมีไหมเนี่ยโปริบัติตัวนี้ทั้งวันเลยนะตั้งแต่หัวถึงเท้ามีแต่เรื่องต้องโปรดรีบัติมันทั้งวันเลยตอนเป็นโยบนะภาวนาอู้หูอิจนาละอานใจกับร่างกายนี้มีแต่ภาระมากเลยเสร็จแล้วก็พยายามสอนนะสอนใจของเราโอ้ยอย่ายไปเบือ่อ ไปเกลียดร่างกายว่าเป็นภาระมากร่างกายจะกินข้าวร่างกายก็เป็นคนกินเองนะจิตไม่ได้ไปกินด้วยร่างกายไปทํางานร่างกายก็ทําเองร่างกายอาบน้ําร่างกายก็อาบพงมันเองจิตไม่ได้ไปอาบให้ด้วยร่างกายไม่เบื่อตัวเองนะแต่จิตดันไปเบื่อถ้าเราไม่ได้ภาวนาเลยเราไม่เบื่อร่างกายพอเราภาวนาไปเริ่มต้นสักช่วงหนึ่งเราจะเบื่อ ท่านได้สอนบอกเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายนี่เบื่อหน่ายเฉยๆนี่มันจะเป็นโทสะจะไม่ชอบถ้าเราต้องคอยรู้ทันใจของเราไว้ด้วยใจมันเป็นกลางเห็นร่างกายหน้าเบื่อหน่ายนะแตใจเป็นกลางต้องอย่างนี้เห็นสิ่งต่างๆเห็นโลกทั้งหลายเห็นขันทั้งหลายหน้าเบื่อหน่ายแต่ใจเป็นกลางไม่ใจเป็นกลางใจก็ไม่ดิ้นค่อยๆดูมันไปเรื่อยนะ ทีแรกก็ต้องปลอบให้มันเป็นกลางต้องน้มน้าวให้เป็นกลางต่อไปพอสติปัญญาเราแก่กล้าขึ้นมันเป็นกลางของมันเองเห็นว่าธรรมดามเป็นอย่างนี้ถ้าไร่เห็นว่าธรรมดามันเป็นอย่างนี้นะความทุกข์จะหายไปเยอะเลยธรรมดาต้องแก่ถ้ารู้อย่างนี้ไหมแก่ก็ไม่ทุกข์ธรรมดาต้องเจ็บเจ็บพึ่งมาก็ไม่ทุกข์นะมันธรรมดาใครๆก็เป็นธรรมดาต้องตาย ธรรมดาต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักธรรมดาต้องเจอสิ่งที่ไม่รักบ้างธรรมดามากเลยที่อยากแล้วไม่สมอยากเราพอวนานะเราดูความจริงในกายในใจเรื่อยไปจนเห็นว่ามันธรรมดามันมีธรรมดาอย่างนี้แหละธรรมดาของมันไม่เที่ยงธรรมดาของมันเป็นทุกข์ธรรมดาของมันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งเป็นสมบัติของโลก ค่อยภาวนานะเบื้องต้นเห็นไม่ใช่เราเบื้องท้ายจะเห็นไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเลยเนี่ยเป็นของโลกไม่ใช่ของเรานี่ทีแรกเห็นว่าไม่ใช่ตัวเรานะภาวนาพระโสดาบันเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราแต่ยังยึดถืออยู่ถึงวันหนึ่งจะเห็นเลยมันเป็นตัวทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราแล้วมันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวทุกข์เป็นภาระทั้งสิ้นเลขันทั้งห้าเป็นภาระ บุคคลแบบภาราพาไปไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงพระอริยเจ้าหมายถึงพระอรหันตนะ์วางภา ร, ราลงแล้วแล้วก็ไม่หยิบฉวยขึ้นมาใหม่ของเราไม่ใช่พระอรหันตนะ์<ม>บางทีใจก็ปล่อยปล่อยไม่นานก็หยิบขึ้นมาอีกก็กลับมาทุกอีกโปลโผ ล, ล, ล, ล, ล่ไปเรื่อยเน็ตมาเจริญสติเจริญปัญญาให้มากนะเห็นตามความเป็นจริงก็จะเบือ่อเบื่อก็ต้องดูไปเรื่อยไม่มีทางออกเนี่ย ความทุกข์มันอยู่ในกายก็คอยรู้ไปความทุกข์มันอยู่ในใจค่อยรู้ไปที่ใดมีทุกข์นะที่นั่นก็มีความดับทุกข์อยู่ที่เดียวกันเขก็ดูลงไปในกายในใจนี่เป็นทุกข์เป็นภาระเป็นของร้อนไม่เห็นท่านชมเลยนะว่าขันห้าดีชมท่านบอกเป็นภาระมั่งเป็นของร้อนมั่งเป็นไฟตาหูจมูกลิ้นกายใจ เป็นไฟเป็นของร้อนสอนว่าขันห้าเป็นภาระดูเข้าไปนะซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงจุดหนึ่งจิตมันยอมรับธรรมดาถ้ารู้สึกเมื่อไหร่ว่าธรรมดานะใจจะหมดความดินน้นรนถ้ารู้ยอมรับไม่ได้ว่าธรรมดามันเป็นอย่างนี้ใจจะดินน้นรนงั้นการที่เรามาคอยรู้คอยดูอาต ด, ดูขันดูกายดูใจ จนเห็นมันเป็นธรรมดาเนี่ยก็เพื่อจิตจะได้หมดความดิ้นรนปรุงแต่งจิตที่ดิ้นรนปรุงแต่งเนี่ยพรายอมรับธรรมดาไม่ได้ยอมรับได้จิตก็ไม่ดิ้นรนปรุงแต่งลองไปสังเกตความทุกข์ทั้งหมดนะเกิดยากยอมรับไม่ได้ยอมรับสิ่งที่ปรากฏอยู่เนี่ยไม่ได้อยากให้ดีกว่านี้บ้างอยากให้ที่ไม่ดีมันหายไปบ้างเต็มไปด้วยความอยากนานาชนิดขึ้นมา มันอยากขึ้นมาได้เพราะมันไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับความจริงเพราะไม่เห็นความจริงดันั้นจะหมดอยากนะหมดความยึดถือหมดความดิ้นลนปรุงแต่งได้ก็ต้องเห็นความจริงของกายของใจเรื่อยๆไปมีเท่านี้เองการปฏิบัติไม่มีอะไรหรอก ง, ง่าย <c oughs> พูดง่ายเนมะื <c oughs> ่อวันพรดทวยเทศทีวิทยุการบิน ว่าที่นี่ไปให้สองทีแล้ ว, วเขาพาวนากันจริงๆเลยภาวนาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นเลยนี่เยอะมากเลยนะแยกธาตุแยกขันได้ก็มีเห็นคนเขาภาวนานะก็สงสารนะเห็นคนไม่พาวนาเ็าอุเบกขาพวกเร า, าทำตัวให้น่ารักหรือให้น่าอุเบกขา ให้นามเมตตาให้นามปรุณามต้องทำนะสมัมเขาดีเขาดีเพราะว่าเขาฟังทำแล้วก็เขาตั้งใจปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าอาศัศจรรย์มากนะถ้าเราลงมือทำถูกล้วก็แล้วทำพอแล้วก็ต้องพัฒนาเราก็มาสํารวจตัวเองทำถูกหรือ ย, ยังถูกหลักไหมถ้าถูกหลักแล้วก็ทำพอไหม ทำยังไม่ถูกหลักก็ต้องเรียนต้องฟังนะฟังซีดีฟังให้มากซีดีหลวงพ่อเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งนะคนที่ฟังแล้วเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาม า, มากมายคนที่ฟังแล้วแยกธาตุแยกขันได้เนะีมากมายนะคนมาเล่าด้วยด้วยขึ้นรดแล้วต้องเปิดซีดีของหลวงพ่อถามว่าเปิดฟังแล้วดูไปหรือเปล่าสบายใจ รถติดก็ยังสบายใจเออก็ยังดีป่ะ <c oughs> อั น, นี้ขั้นต่ำสุดนะฟังเอาสบายใจถ้าสบายใจได้อะไรได้ความสงบใจขับรถไปแล้วสบายใจใจสงบดนความสบายใจนะทำให้ได้สมาธิได้ความสงบถ้าคอยรู้ทันอีกจิตเคลื่อนไปแล้วคอยรู้ก็จะได้ความตั้งมัน่นในเหตุกับผลต้องตรงกันนะ ถ้ามีความสุขความสบายใจในสิ่งที่ไม่ยั่วกิเลสอยู่ในอารมณ์ันเดียวอย่างฟังซีดีไปแล้วมีความสุขขึ้นมาจิตสงบได้สมาธิชนิดสงบและจิตเคลื่อนไปเรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปได้สมาธิชนิดตั้งมั่นถ้าขันมันแยกได้ปัญญาเห็นกายอยู่ส่วนกายใจอยู่ส่วนใจทุกวันนี้คนแยกขันได้เยอะนะมีเยอะแยนะเลย พอแยกขันได้แล้วพูดเต็มปากเลยว่าเปลี่ยนไปแล้วเจ้าตัวบอกเองเปลี่ยนไปแล้วไม่เหมือนเดิมพวกเราพยายามนะ้็เนาะพักเพียนเข้าสอนให้มากแล้วแต่ละคนหน้าตาผ่องใสจิตใจว้าวุ่น <c oughs> หน้าตาใสฟังหลวงพ่ อ, อมีความสุขเติม ใจวอกแวกวอกแวกนะใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าใจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจเจริญปัญญาไม่ได้เพราะมันจะลืมตัวเองต้องรู้สึกตัวรู้สึกสบายๆรู้สึกในร่างกายร่างกายเหมือนเปลือกเหมือนถ้าเหมือนคูหาเป็นโพรงมีจิตมาอาศัยอยู่ ร่างกายนะจิตสั่งให้เคลื่อนไหวไปมายืนเดินนั่งนอนก็สั่งได้แต่สั่งได้ชั่วคราวบางทีก็สั่งไม่ได้เอาแน่ไม่ได้ตามใจมันยากปรนนิบัติมันนะแทบแย่เลยตั้งแต่เช้ายันค่นะําปรนนิบัติร่างกายตลอดเลยจะทั่งไปซื้อที่นอนแพงแงมานอนนี่ก็เพื่อจะให้ปรนนิบัติร่างกายนะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> หาที่นอนหลวงพ่อนอนไม้กระดานมาตั้งแต่เป็นโยมนะ สบายมากเลยนอนให้ไปนอนฟูกนอนเลยรนึกลำบากมากไปอเมริกานะต้องพักที่พักต่างๆฟูกมันหนาประเทศมันหนาวเลแต่เราไปมันไม่หนาวเราก็ต้องลงมานอนข้างๆเตียงทุกที่แหละไม่นอนเอาบนเตียงเราปฏิบัติร่างกายเยอะมากนะสารพัดเลยภาระทั้งนั้นเลย มีค่าใช้ใจ่ายมหาศาลเลยเสร็จแล้วมันเลี้ยงมันอย่างดีเลยนะมันทรยศมันนําความทุกข์มาให้มันเจ็บโน่นปวดนี่ปรนนิบัติมันเลี้ยงดูมันจนตัวเปลอเลยเสร็จแล้วมันก็หนีเราไปมันทรยศนะสุดท้ายเราจะได้รับความเจ็บปวดทุกข์ทรมานเตรียมความพร้อมไหม ในนาทีสุดท้ายที่จะสู้กันสิ่งที่รักที่สุดเลยห่วงแหนที่สุดเลยทรยศนำความทุกข์มาให้นะจนกระทั่งตายเลยทนไม่ไหวทุกข์มากยิเปยประมาทนะยังหนุ่มยังสาวแข็งแรงรู้สึกร่างกายอยู่ในคำสั่งในอำนาจไม่อยู่รอกดูแลมันแทบตายถึงวันหนึ่งมันทรยศเนาะทาร้ายเรา ถึงตายเลยอยู่กับมันไม่ได้มันไม่ให้อยู่ด้วยแล้วงั้นอย่าไปหลงเพลิดเพลินกับมันมากใช้งานมันเลยใช้มันภาวนาใช้มันสร้างคุณงามความดีร่างกายนี้เราเอาไปไม่ได้นะแต่คุณงามความดีเอาไปได้เงั้นแทนที่จะเป็นธาตุมันแล้วก็สุดท้ายก็ถูกมันหักหลังนะ เรใช้งานมันไปมันหายใจก็ให้มันหายใจไม่ห้ามมันหายใจไปแล้วมาฝึกสติข้าไปสตินี่เป็นคุณงามความดีร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกหรือร่างกายมีอิริยาบถมันเปลี่ยนอิริยาบถเพราะมันมีความทุกข์มันเมื่อยมันถึงต้องเปลี่ยนอิริยาบถแทนที่จะพลนิบัติมันเปลี่ยนอิริยาบถตามใจมันไปเรื่อยๆไม่มีประโยชน์ เอามาปฏิบัติจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมีสติระลึกรู้เห็นร่างกายมันยืนเห็นร่างกายมันเดินเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันนอนจะคอยรู้มันไปมันหายใจออกไม่หายใจทิ้งหายใจออกก็รู้ไปหายใจเข้าก็รู้ไปดูมันไปเรื่อยแทนที่จะปฏิบัติมันแล้วเป็นทาสมันแล้วถูกมันหักหลังในขั้นสุดท้ายเอามันมา พัฒนาคุณงามความดีใส่ตัวเราหายใจไปรู้สึกตัวไปเราก็ได้สติเห็นไหมยืนเดินนั่งนอนแล้วก็รู้สึกไปแล้วก็ได้สติมีสติรู้ทันร่างกายยืนเดินนั่งนอนสติเนี่ยเป็นคุณธรรมสาคัญมากนะพระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นธรรมะที่มีอุปการะคุณมากนะอุปการะที่จะทําให้มนุษย์ธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราเป็นพระอริยบุคคลได้ งั้นไหนๆก็มีร่างกายเลยอย่าไปจมอยู่กับมันอย่าไปหลงกับมันมันเหมือนลูกทรอยต์นะเลี้ยงมันแทบตายสุดท้ายมันทรยศนะ์ค่าพ่อค่าแม่ตายแล้วเอามันมาใช้งานนะต่อไปนี้นะพยายามใช้งานร่างกายให้มันเกิดคุณค่าทางจิตใจขึ้นมาให้ได้หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวกินอาหารก็รู้สึกตัวเห็นร่างกายมันเคี้ยว ใจเราเป็นคนดูดูมันเรื่อยไปจะขับถ่ายก็อยากถ่ายทิ้งเฉยๆรู้สึกตัวพาละนะภามันเข้าไปนั่งในส้วมหอมซะที่ไหนละ่ะนไปนั่งดมอยู่ตั้งนานพามันไปอาบน้ํารู้สึกตัวไปหลวงพ่อมีเพื่อนคนนึงนะภาะวานา ม, มาด้วยกันไปหาหลวงปู่ดุลด้วยกันตั้งแต่เริ่มเลยแล้วเข้าไปบวชอยู่วัดโสไมนั้ บวชแล้วเนี่ยพยายามมากเลยนะพยายามจะทําอะไรทุกๆอิริยาบถเนี่ยรู้สึกตัวร่างกายจะยืนเดินนั่งนอนหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกไปเรนะื่อยไปกินอาหารจะอะไรนะคอยรู้สึกมีสติกํากับไปเรนะื่อยทําอยู่สามเดือนก็ดีขึ้นมาได้ความรู้ถูกความเข้าใจถูกขึ้นมาในระดับหนึ่งร่างกายสุดท้ายก็ต้องทิ้งไป งั้นเราต้องเลือกเอานะเราจะปลนิบัติมันไปเรื่อยๆแล้วก็ถูกมันหักหลังเฉยๆหรือว่าเราจะใช้ประโยชน์จากมันให้คุ้มค่าหาสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารแท้ๆเลยติดตัวไปก็ต้องเลือกเอาเองไม่มีใครเลือกให้เราไม่มีใครปฏิบัติให้เราได้มีร่างกายก็ใช้มันหลวงพ่อเมื่อก่อนก็ใช้มันนะพามันภาวนา พามันไปหาครูบาอาจารย์พามันไปฟังธรรมทีไปตามวัดก่อนนะเราข้าราชการชั้นผู้น้อยเงินทองก็ไม่ค่อยจะมีนะเงินเดือนก็ไม่มากหรอกข้าราชการเก็บเงินไว้เก็บวันลาไว้ไม่เที่ยวที่อื่นหรอกถึงวันหยุดถึงอะไรนะเนี่ยอย่างวันหยุดสามวันเลยเนี้ยต้องโว์โอกาสแล้วยิ่งถ้ามีวันหยุดที่ดักหน้าดักหลังได้อุ้ยนิยมมากเลย ต้รีบไปจองไว้ก่อนลาสองวันสามวันนั้นได้ทั้ง8ปดเก้าวันอย่างเงี้ยผู้นิยมมากอย่างนั้นไปวัดไปไม่ได้สุขสบายนะนั่งรถไฟไปนั่งรถทัวร์ไปไนปะต่อรถสองแถวไม่เดินเนอะบ้างอะไรบ้างไปเส้นสายก็ไม่มีที่วัดทุกวัดนะี่ยมันก็มีเจ้าพ่อเจ้าแม่นะเป็นปกตินะทําใจไว้ที่ไหนก็มี เราไปเอาธรร ม, มนะนั้นไม่ได้ไปเอาเขี้ยวเอาเล็บไม่รับเขี้ยวรับเล็บของเราตลอดเวลาเราไปเอาธรร ม, มสะสักอย่างบางวัดนะคุณหญิงคุณนายเต็มวัดเลยกุติดีๆเข้าจองหมดเลยเราเราไม่มีทางเลยเข้าไปหาหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านเห็นหน้าท่านรู้ว่าเราภาวนาท่านก็สั่งให้ไปเอาให้พระอุปถนะักต์เนี่ยพาไปอยู่คุติพระเลย ในเขตกรรมฐานอะไรเงี้ยบางทีอยู่กุติท่านก็เคยอยู่กุติเก่าของท่านเคยแต่บางคราวเนี้ยพระอุปถัมภ์ไม่ว่างให้เราไปขอกุญแจจากพระที่คุมกุญแจเองท่านไม่ให้นะบอกไปอยู่กุติรวมเราเลยโอ้วัด น, นี้มีสมภารหลายวงไหม iej. หลวงปู่ก็เป็นสมภารตามกฎหมายมีสมภารนอกกฎหมายซ่อนอยู่ในวัดอีกก็ไม่ว่านะไม่ไปฟ้องหลวงปู่ด้วย ให้ไปอยู่กุฏิรวมก็อยู่แป๊บเดียวพวกรถถั่วมาทำไม ย, ยุคนนนพระเรหันถั่วเยอะนะถั่ววัดโน้นวันนี้วันแล้วก็เอาวัดมั่งแวะกินข้าวที่นี่ข้าวส้วมถวายทานแล้วก็ไปข้าอีกวัดหนึ่งไปข้าวส่วมถวายทานไปอย่างนี้เลยค่าที่ไหนไปหาข้าวกินในวัดเนะเมาแปรมาเลยเหม็นหึ่งมาเลยโอ้เราอยู่เขาไม่ได้นะ เขาเมาเอะไโวยวยเราจะภาวนาไปอยู่ใต้ต้นไม้นั่งภาวนาใต้ต้นไม้ดึกๆฝนตกไปมุดอยู่ใต้ถุนได้ถุนกุฏิอื่นนะกุฏิที่เจ้าพ่อเจ้าแม่ยังไม่มากุฏิร้างๆน้ำมีว่างๆอยู่ใต้กุฏิก็อยู่ว่ภาวนาสารพัดเลยนะโอดทนนะเอาร่างกายเนี่ยไปทำงานสร้างคุณงามความดีให้ตัวเอง ตอนเช้าถึงเวลาถวายอาหารอย่างเนี้ยถวายถวายเสร็จแล้วส่งไปข้างนอกแต่ที่วัดครูบาอาจารย์นีมีระหว่างพระฉันเนี่ยโยมทําวัดเช้าเราก็นั่งทําวัดไปนะกะเดี๋ยวทําวัดเสร็จจะออกไปกินข้าวออกไปไม่มีเหลือเลยแต่ละคนนะเขามีพักพวกมานะเขาตักไปหมดล้ะบางคนมีคนใช้มาก็ตักไปหมดเลยไม่มี ไม่มีก็ไม่กิน嘛ไม่เป็นไรหรอกคิดอย่างนี้นะเดินกลับเข้ามาในศาลาหลวงปู่ท่านเห็นวักมือเลี้ยงหลวงปู่เทศนะ่ะวักมือเลี้ยงเข้าไปหาท่านส่งบาทของท่านให้<ม>ให้กินข้าวค<ม>รูบาอาจารย์นะท่านน่ารักมากเลยส่งบาทมาเรา ย, ยังไม่ทานกินเลยมือมาละ <c oughs> ของพิเศษเอาไปเก็บ <c oughs> ไม่ไปกินหรอกนะไปเก็บ เร่ร่างกายนะถ้าเรารักมากหวงแหนมากนะกลัวทุกข์กลัวยากเราก็เป็นทาตมันเรื่อยไปเหมือนมีลูกอ่ะกลัวลูกลำบากเอาใจมันมากนะสุดท้ายมันก็ขี่คอเราสุดท้ายก็ถทายศดหักหลังพ่อแม่เอามันมาใช้งานสิใช้งานสร้างคุณงามความดีใส่ตัวเราเอาพามันภาวนาพามันนั่งสมาธินั่งเดินจงกลมเองปวดหลัง ถึงเองไม่นั่งสมาธิเองก็ปวดก็นั่งสมาธิดูมันแยกธาตุแยกขันธ์ไปเดินจงกรมเมื่อยถึงเองไม่เดินจงกรมเองไปเดินช้อปปิ้งเองก็เมื่อยเดินช้อปปิ้งก็ตามใจกิเลสไปเรื่อยเดินจงกรมเอาใจแข็งๆนะอดทนก็ใช้มันก่อนที่มันจะใช้ไม่ได้ไม่นานก็แก่นะไม่นานก็เจ็บไม่นานก็ตาย เด็กกสาวๆาวตายเร็วๆเยอะแยะนะเดี๋ยวนี้เป็นมะเร็งกันเยอะมากเลยในห้องนี้ก็คงหลายคนอยเดี๋ยวคนนั้นเป็นเดี๋ยวคนนี้เป็นวิธีดูง่ายๆนะเป็นมะเร็งมาก็ใส่วิกมาเยอะเลยนะเนี่ยมันทรยศแล้วงั้นใช้งานมันนะต่อไปนี้พามันไปกินข้าว แล้วก็จเจริญสติไปเห็นร่างกายกินข้าวใจเราเป็นคนดูเห็นใจมันมีกิเลสใจมันมีราคะใจมันมีโทสะแล้วก็คอยรู้เอาราคะโทสะมาจากไหนมาจากตาเนี่ยตามองเห็นหูได้ยินเนี่ยตามองเห็นเห็นไข่พะโลอยากกินคนข้างหน้าเราตักไปแล้วนะใจไม่มีความสุขแล้วโมโหมีเด็กคนนึงนะ หนังสือพิมพ์สัมภาษณ์วําทำไรวันหยุดชอบไปวัดหลวงพ่อประโมททาไมชอบไปวัดหลวงพ่อประโมทมีไข่พะโลว่าเราเลยรู้มันจะมากินไข่พะโล <c oughs> <c oughs> ก็ยังดีเ <c oughs> นี่ยเราดูนะัตตาเรามองเห็นเราอยากกินอันเนี้ยคนอื่นมาเอาไปแล้วโทรศั์ก็เกิดเนี่ยตอนที่เราเห็นเราอยากได้ราคาก็เกิดเนี่ยอาศัยตาตาก็เป็นร่างกายใช่ไหมอาศัยหู ได้ยินเขาพูดแล้วก็พอใจบ้างได้ยินเขาพูดแล้วไม่พอใจบ้างเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าใช้ร่างกายคุ้มค่ามาพัฒนาจิตใจนะจะทำอะไรนะยืนเดินนั่งนอนมีสติเรื่อยไปหายใจออกหายใจเข้ามีสติเข้าห้องน้ำมีสตนะิห้องน้ำพอใช้กันไหมพอนะทำบางคนอยากให้ทำเยอะๆเยอะๆล้างยากนะใครจะมานั่งล้างไปเอาพอดีพอดีก็แล้วกัน พวกเราเข้าแถวอยู่นะเห็นคนข้างหลังเราหน้านิวคิ้วขมวดได้รับทุกขเวทนาเราก็ทําทานนะให้เขไปก่อนบ้างว่าลุ้มารวยกันนะมีร่างกายมีทุกข์เยอะนะมีทุกข์ต่างคนต่างทุกข์ต่างคนต่างเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันเห็นอกเห็นใจกันเมตตาปราณีต่อกันนะคุณงามความดีมิจะเกิดขึ้นในใจของเรานะไปผ่าร่างกายไปกินข้าวได้แล้วไปนิมนต์เลยครับ